ดังนั้นเองในจุดนี้ก็เหมือนกันเราก็มาหาความปลองดองในตัวเองมาหาความสมรนฉั น, นมาหาความพอดีในตัวเมาความสมดุลในพอดีมาหาความมัชชิมาในตัวเองให้พอดีแล้วชีวิตเราจะสบายพูะิุทธเจ้าถ้าไม่ได้สอนให้สแสวงหาสุขและไม่ได้สอนให้หนีทุกนะแต่คุณจะสมดุลสุขสมดุลทุกในอัตราส่วนที่พอดีไหมคุณทาตรงนั้นให้เป็นนั่นหมายความว่าเราต้องใช้ปัญญาละ